بسم رب والعقبة والأعبان الرحمن الرحيم الحمد العالمين والمتقين والمولمين محمد المعنى الله الأولين والأخلي النبينا بإحسانه لله للعلى وصلي وصلي على عليه وصحبه بالدين تبعه أشرف เป็นความรู้สึกของจำนวนคนถ้า م ราได้มีโอกาส เราลงมือเรียนควมหมายอกุรอานเราอาจจะรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับอัลกุรอานแต่จริงแล้วในเมื่อดรุมมอดอนก็ไม่ได้เรียน تفسير นะแต่สมมติฐานแล้วของผู้ศรัทธานี่ว่าดรุมมอดอนจะต้องใกล้ชิดกับอัลกุรอานมากที่สุด พระแบบฉบับของท่านนบีสัอบบะลาห์วะอะลัยอุสซาลลัมเนี่ยการให้ปรากุณตัวใกล้ชิดกับอัลกุรอานเนี่ยมันมีตัวอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าเราได้หยุดการเรียนตั้ซีอัลกุรอานามากุรอานช่วงเดือนรอมฎอนแต่หวังว่าพวกราในเดือนรอมฎอนก็คงได้มีโอกาสเขากชิดกับลกุรอานมากขึ้นมากขึ้นกว่าที่เราได้ เรียนรู <imprisoned> ้ต <in> ัวซ <kind abonn> ีอากุรอานกันที่นี่ถึงแม้ว่าอาจจะมีคนบางคนก็อาจจะบุกร่องในเรื่องบางตอนในการอ่านอัลกุรอานหรือเรียนรู้ความหมายกุรอานด้วยการอยู่อยู่ใกล้ชิดกับอักุรอาน เทียบได้นะครับว่าการเรียนรู้ตัวียหรออ่านุตั้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครั้งละชั่วโมงกว่าๆเนี่ยกับการที่อยู่ใเดอร์มดอนต้องอ่านคุตัานกันทุกวันเนี่ยแน่นอนแล้วถึงจะบกพร่องแค่ไหนนะครับการที่พวกเราอยู่กับอัานคุตัานเดอร์มดอนย่อมมีมีความหมายมากกว่า ก็แค่จะบอกว่าอย่าดีใจที่เราได้มาเรียนต afsir มากกว่าที่เราดีใจตอนใกล้ชิดกับอัลกุรอานในตัวเราหเพราะมันไม่คุ้มมันคนละระดับกันความว่าใกล้ชิดกับอัลกุรอานนั้นไม่ได้หมายรวมว่าเราจะต้องอ่านเยอะแต่หมายถึงว่า ถ้ารับองโนนี่เราสามารถสัมผัสได้ความหมายของผมนี่เกี่ยวกับความเขว่าการศึกษาบัณฑ์สัมผัสได้อ่านและอ่านคุรานและได้มีอัประสบซึ่งในพระดารับของอัลลอฮฺ س ب ล มีแมล่ลกอยู่ในตัวอักษรคำและประโยคแม้ว่าคนที่อ่านจะเป็นตัวเราที่มีความรู้น้อยหรือคนที่อ่านให้ฟังให้เราฟังเป็นคนที่เสียงไม่ไพเราะเราก็จะต้องสัมผัสกับอัรุษแห่งความเป็น พระดำรัสของพระอ์อย่าได้ผูกพันอัลกุรอานกับตัวบุคคลที่ถ่ายทอดความหมายอย่างผมผูกพันกับอัลกุรอานด้วยการอธิบายตัดสินของผมไม่ไม่ใช่อย่าได้ผูกพันความใกล้ชิดของลกุรอานกับเสียงแพระของกอรีที่เราฟัง้าว่าชีเสียงคนนี้เนี่ยคนไม่ลุก ไม่น้ำตาไม่ไหลถ้าเป็นแบบนั้นไม่ดีถ้าเป็นแบบนั้นไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สวยงามพยายามนะเราต้องพัฒนาจะทำให้การผูกพันกับกุศลนั้นมันอยู่ในตัวตัวเนื้อหาตัวสิ่งที่เราสัมพันธ์กันต่างระดักำลังพูดกับมนุษย์ชาติมาทบทวนกันนิดหนึ่งสุรยูนสุส อย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นสุรอ ก, กี๋ที่ถูกประทานในเมืองมั ก, กะซึ่งวรระในการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีในมั ก, กะนี้ก็คือการแนะนำศัจธรรมกับผู้ปฏิสิทธาหรือผู้ที่ตั้งพาคีกล่ามว่ซึ่ง ตั้งแต่ท่านนบีเริ่มประกาศสัจธรรมท่าทีของมุสลิกีนชาวกอฮีในการปฏิเสธสัจธรรมที่ท่านนบีได้แนะนำมาเนี่ยมันปรากฏตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกเลยคือแรงต้านนี่มันมันออกมาทันทีเลยเสมือนว่า คุร์รนคือคุร em, ์รนในช่วงแรกๆนี่ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเจวิตยังไม่ได้พูดถึงเรื่องวิถีชีวิตของมุชริกินที่มันที่มันผิดกับคำสั่งสอนของพระเจ้านะอิกรับิสมิรับบิกละดี خلق ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่าจะกระทบกระทั่งความรู้สึกของเขาอย่างยรุนแรง แต่พอเริ่มเริ่มมีการพูดถึงสักการพระเจ้าองค์เดียวแค่นั้นแหละเสมือนว่าการตั้งภากีกับมโนเนี่ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพของข้าของของมนุษย์นะและการที่จะให้มนุษย์เนี่ยสักการพระเจ้าองค์เดียวนั้นนะมันเป็นการริษลอนสิทธิของมนุษย์ เขาก็เลยมีฟีดแบคที่แรงที่รุนแรงจึงให้เห็นนะว่าการตั้งภากีกับอัลลอ์นีสำหรับคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้เคารพสาการะพระเจ้าหลายองค์นี่เนี่ยเพราะเขาเชื่อเพราะเขามีความศรัทธาเพราะเขามีเหตุผลไม่เขาทำเาเพราะเขาอยากทำ เขาทำเพราะเขาอยากทํามุส <intent>? ลินก็เลยโต้ท่านนบีท่านอัลลแลิให้ต่อีละฮัวาให้แต่ใจบรรดาพระเจ้าหลายองค์นี้เนี่ยมาเป็นองค์เดียวเป็นไปได้ไงในเฮตเลเช่นเราะเป็นเรื่องแปลกปลาดยิ่งเหตุผลอะไรเี่ที่จะมาโต้ท่านนบีว่าการที่มีพระเจ้าหลายองค์นี่คือเรื่องปกติการที่มีพระเจ้าองค์เดียวเนี่เป็นเรื่องที่แปลกปรลาด อันันแสดงว่ามันเป็นเรื่องของค่าละเป็นเรื่องของสิทธิของฉันอย่าได้มามาละเมิดสิทธิของฉันที่ฉันอยากจะบูชาอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แบบไหนก็ไดไ้เรื่องฉันแต่ข้อที่จริงว่าสจริ่งที่มันมีจริงเนี่ยพระเจ้าตกลงตามความจริงมีพระเจ้ามีกี่องค์ไม่ต้องมองถึงความชอบนะไม่ต้องมองถึงกระแสนิยมนะไม่ต้องมองถึง ขานิยมแต่ข้อที่จริงเนี่ยตามเป็นจริงมีพระเจ้ากี่องคอ์นี่คือนี่คือเนื้อหาความรู้ที่เราต้องหาข้อมูลให้ให้ดีฟิดแบคก็เลยแรงซูรุตยูนุสเนี่ยมาในจังหวะที่มีการโต้อย่างแรงระหว่างท่านนาบีซุลล่านการเเศนาขางท่ันแล้วก็พุกูสุลิก สุริยูนุสจึงเป็นเรื่องการสนทนาพูดคุยแล้วก็อ้างเหตุผลโดยเฉพาะอย่างที่บอกกับวีดองเหตุผลของสุริยุนุสทั้งหมดเนี่ยคือคอุรนาพนี์เป็นความจริงที่มาจากพระเจา้าอื่นจากนั้นน่ะเป็นเรื่องเท็จที่จะต้องต้องหักล้างหลักฐานให้ได้เช่นในท่อนยี่สิบ ห้าถึงสามสิบที่ผ่านมาก่อนดดรโรโมตที่เราเรรู้มาเกี่ยวกับทางนำและผลตอบแทนในวันเกียรมาที่จะชวนให้มุสริกินได้คิดว่าโลกนี้ชีวิตนี้ไม่ควรที่จะสรุปสรุปไปในชีวิตของมนุษย์เพียงหกสิบเจสิบปีอย่างเดียว ช่วนให้มนุษย์ได้คิดว่าถ้าโลกนี้ทั้งหมดทุกสิ่งที่มันมีในโลกนี้ความซับซ้อน่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราแต่ละคนเนี่ยได้มีชีวิตเพียงหกสิบจสิบปีแล้วจบนะโอ้ถ้าภาษ า, าชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าละครสันส้นละครสัตรไม่คุ้มเลยแ้วสำหรับผู้กากับนี่นะ ผู้ผลิตหนังสั้นละครสั้นหน่วยงคุ้มไปเลยสักหมื่นล้านแสนล้านจะได้ผลิตหนังสักหนาทีโอ้ไปทำอะไม่คุ้มไม่คุ้มหรอกลองคิดดูสิมนุษย์ในโลกเนี้เป็นพันล้านอนะแต่ละคนจะ ม, มีสตอรี่ของเขาลนะและยังไม่มองถึงสปปรรพสิ่งสรรพสัตว์อะไรดังๆที่อยู่ในโลกนี้ แล้วทุกอย่างนี้มันมีข้อผูกพันร่วมกันมีสตอรี่ร่วมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะได้จบแค่นี้ขึ่ไแต่ละคนเนี่ยใช้ชีวิต7จ็สิบีแล้วจบจบครับแล้วก็ปล่าละทิ้งละไม่มีอะไรละไม่มีอะไรต่อละเป็นเป็ น, ปนไม่ได้มีชีวิตนี้แล้วก็ชีวิตในโลกหน้า <c oughs> แล้วก็มีผลตอบแทน ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสําหรับมุสลิมในเรื่องที่เขารับไม่ได้เขารับไม่ได้ก็เถียงท่านนบีว่าจะเราจะฟื้นคืนชีพได้ไงก็เลยมีการตอบโต้ในสู้ระยูนุสแบบนี้นะครับนเ่ซึ่งกุอ่านนี่จะนําเรื่องที่คำภีรอื่นประชา้าอื่นปราดคนอื่นนี่ไม่สามารถมาพูดได้เรื่องเนี้ยเรื่อง โลกนี้โลกหน้าผลตอบแทนที่เราได้สะสมคุณงามความดีหรือความชั่วในโลกนี้ก็จะไปรับผลตอบแทนในโลกนั่อันนี้ไม่มีปัจจาอื่นที่จะพูดเรื่องนี้จึงได้ถึงจุดที่กูอาจจะต้องประกาศท้าทายท้าทายในปัจจาที่ที่เสนอให้คนได้เชื่อได้ศรัทธาว่ามันว่ามันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมาก สำหร like ับปัญญาชนควรควที่จะคิดควรที่จะวิเคราะห์ขณะที่เรานั่งฟังอยู่ในฟังนั่งฟังผมอยู่ผมกำลังพูดถึงใครพูดถึงพวกชตรีกินสมัยท่นบีสุลตานองอเนี่เราเกี่ยวอะไรนี่เป็นที่น้องมุชลิมบ้างเป็นบรรดามุสลิน เราเป็นบรรดามุมินีนี่เราเป็นผู้ศรัทธานี่เราต้องเกี่ยวอะไรล่ะเกี่ยวสิเพราะในมุมหนึง่ง <c oughs> สิ่งที่คุณอ่านได้พูดกับมุสริกที่ถ้าเราเชื่อแล้วในสิ่งที่กุณอ่านได้พูดนีมันก็จะเป็นการยืนยันในความเชื่อที่เรามี นมุมน่อะยาเถึงอยาิเนี่ยเนื้อหาท่อนนี้เกี่ยวกับการท้าทายมุสลิมกุฎอ่านนี่จะท้าทายมุสลิกเราชจะอ่านอ่านจะได้ประโยชน์อะไรฉันได้พบพะฉันไม่มีไม่มีปัญหากับกุฎอ่านไม่ต้องการท้าทายกุอ่านทุกท่อนในกุฎอานเนี่ยผู้ศรัทธาต้องได้ประโยชน์ ไม่ได <energy> ้มีส่วนหนึ่งอ๋อนี่อัลลอฮฺบูึิงฟิลอาลเราไม่เกี่ยวกับฟิลอาลอันนี้อัลลอฮฺบูติงผู้ปฏิสัทธาราไม่ได้พูดเราไม่เกี่ยวไม่ใช่ดิมุมหนึ่งว่าสิ่งที่อัลลอฮฺได้ยืนยันในหลักศรัทธาที่เรียกร้องเชิญชวนในผู้ปฏิสัทธ์ได้ศรัทธานั้นน่ะมันเป็นการยืนยันในสิ่งที่เราเชื่อจริงมันจะเพิ่มพูน إ ي م านเดี๋ยวเราจะรู้เราจะดูตัวอย่างว่ามันจะเพิ่มพูน إ ي م าน การ ย, ยืนยันในสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วมันจะเพิ่มขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็อยู่ที่ีก็มีมีข่าวมาข่าวนี่นะมันนาเสนอเรื่องที่เราเชื่อแล้วก็เคยบอกนะเคยบอกกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่เชื่อพออยู่ดีนีก็มีข่าวมามีรัฐบาลออกมาแถแลงตามที่เราได้พูดเราจะพูดย่างเห็นมาแล้วไม่บอกแล้ว มันเป็นการยืยนยันในสิ่งที่เราเชื่ออีกมุมหนึน่งการที่เราได้เห็นอันพุรอ่านท้าทายมุชลิกีเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ได้ท้าทายมุสลิกีเฉพาะยุคของท่านอับดุลลอฮฺซ ล, ลทุกยุคทุกสมยัยปรากอุรอา น, นเป็นคำพิเศษทุกยุคทุกสมยัยฉะนั้นเราก็จะได้ไประโยชน์ จะกการที่อัลกุรอานสนทนากับผู้ชริกินในรุ่นก่อนให้มันเป็นบทสนทนากับผู้บริธาหรือผู้ตั้งภากีในในรุ่นนี้เช่นเดียวกันสิ่งไม่แปลกว่ามีคนที่ไม่ชื่สียงหลายคนเนี่ยเพราะอ่านคุรอราน อ, อ่านคุรอานโดยที่ไม่ได้มีใครมาสอน มาถ่ายทอดอ่านคำแปลผิวๆเลยนะไม่มีอธิบายเยอพอได้เห็นตักกะของกุฎอ่านซึ่งเป็นตักกะที่มนุษย์ทุกคนสามัญชนสามารถอ่านได้เองเข้าใจเองเใจกุฎอ่านกุฎอ่านนี่ถ้าเราได้อ่านแบบง่ายๆนะทุกคนสามารถเข้าใจ นี่เป็นความเชื่อที่เราชื่อเราต้องระหนัดแล้วก็เชิญชวนให้คนเข้าใจแบบนี้นะบอกกูรอ่ า, อานเนี่ยทุกคนแค่รู้ภาษาง่ายๆนะครับอ่า น, นง่ายๆนะแล้วจะเข้าใจถ้าใครสอนบอกว่าโอ้กุรอ่านนี่เราอย่าไปอ่านเองอย่าไปเข้าใจเองอย่าไปอะไรเองนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเพี้ยนนาะเดี๋ยวมีปัญหาอี่ i s l มีอะไรนอะกจากกูรอานละฮะลิส ถ้าพูดอ่านและฮะดีษคนทั่วไปนี่ไม่สามารถเข้าใจได้คนทั่วไปนี่นะไม่สามารถเข้าใจได้ต้องผ่านหมายถึงว่า <c oughs> ถ้าอยากจะอ่านกูฏอ่านอ่านฮะดิษเองโดยค้นหาความหมายแบบง่ายๆนะไม่สามารถเข้าใจได้เปรียบเสมือน คนที่อ่านภาษาอังกฤ ษ, า ษ, า ษ, า ษ, าษาเป็นนะแต่ภาษาคอมเนี่ยเขาในอะไรอ่าโค้ดของเขียนเขียนโปรแกรมมาโค้ดน่ะ น, นะเป็นแต่ให้เขามาอ่านโคน้ดนี่เอออันนี้ตัวนี้รู้นรู้รนี่คือตัวอะไรแต่ไม่รู้เนี่ยโค้ดนี่เขาเขียนยังไงเพื่ออะไรเพื่อทําอะไรตกลงกูอ่านนะฮาริสเป็นอย่างไงอะ อ๋อเราอ่านไว้ลุลิกุลิหมาซาติลุมาซีอันเป็นแต่แปว่าอะไรไม่รู้แล้วอยากจะรู้ไม่ก็ไม่ต้องหรอกอมอีมีตัวครูครูอาจารย์สอนแบบนี้ด้วยแล้วนี่มาใหม่มัดมาดเลยต้องยิดมัศปฏเพราะจะมายิดมัศปฏนี้เราจะเ ข, าาข้าใจศาสนาเขาจะศาสนาต้องผ่านมาัศปฏตายเลยตายเลยครับ ทำไมอ่ะประชากรมุสลิมะที่อยู่ทั่วโลกไม่ใช่คนที่อยู่ตามโรงเรียนศาสนานะตามโรงเรียนศาสนานี่ก็โชคดีไปมีครูครูบาอาจารย์มีตำราค้คนหาได้แต่คนที่อยู่ตามยอดเขาอ่ะคนที่อยู่ตามทุ่งนาละ่ะคนที่อยู่ในป่าละ่ะและเป็นมุสลิมแต่เขาไม่มีตัวครูไม่มีครูบาอาจารย์ แต่เขามีคุฎอานบางหน้ายังอะไรกันหลหัวเล็กจุอนมาเงี้ยหนังสือเล็กๆไม่มีคุฎอ่านบ้างมีหดีสนิดหน่อยใจบอกเขาว่ามัศขบเชฟีเขาเขาว่าอย่างงี้นะละมับเฟีนี้ต้องระวังนะเขามีจดีตแล้วก็มีกอดิมมีมับใหม่แล้วก็มีมับเก่า แล้วก็่คนในมัสยิดชเวีนต้องเอามัสยิดใหม่ในมัสยิดเก่านี่ถูกยกเลิกไปแล้วนะยกเว้น1213เรื่องที่จะเอาตามมัสยิดเก่าไม่เอาตามมัสยิดตุงระวังนะและไม่เพียงแค่นี้นะในมัสยิดใหม่ในของอิหม่ามชเวีนเนี่ยมีการตีความว่าตัวกลงทัศนะนี้ทัศนะใหม่ของหม่ามชเวีนเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็จะมีผู้รู้ในมัสยิดชเวีอีหลายคนนะ ที่มาขดัดแย้งกันในการตีความทัศนะของอิมามชาฟีเองแล้วเนี่ยซึ่งความขดัดแย้งแต่ลทัศนะเนี่ยต้องจะมีผู้รู้กูรูอีกคนหนึ่งที่มาให้น้ําหนักว่าตกลงทัศนคไหนในการตีความที่มีน้ําหนักมากกว่าความซับซ้อนเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตกลงชาวปะมงชาวอินโดชาวเกะาะเงี้ยชาฟีอีดังนั้นเน่ยเขาบอกเขาอ้างเขาบอกว่าโอชาฟีอีนี่มาลายูนี่ชาฟีอีทั้ง แอบเลยชาวเกาะนี่เขารู้ไหมมันสับจัดิบมัจฮับก็ดิบเขารู้ไหมอิมามรอฟีอิมามลาวีสองคนในที่ที่ช่างทัศนะต่างๆนี่แล้วก็ใครนี่มีน้ําหนักมากกว่าเขารู้ไหมเขาไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้ก็ไปทำฮัจีเนี่ยชาวอินโดนีเียไปทำฮัจญีทุกปีเนี่ยเป็นแสนคนเห็นได้เลยนะครับเขาไปทําตามทาทําตามแซ่ทําตามผู้นําทําตามผู้ใหญ่บ้านที่เขาพามาทำฮัจ เดินกันเป็นฝูงเเป็นร้อยคนตกลงพวกนี้วันเก่ามากนี่มันเอาเรามากระโวกเองเนี่ไม่ได้ยึดมัสนับไม่เข้าใจศาสนาไม่เรียบร้อย ย, ยึดมัสนักและที่ประหลาดที่สุดนี่นะครับว่าคนนี้คนนี้มาพูดเรื่องนี้เนะะี่ยก็คือคนนี้อ้างว่าเขาเป็นแนวสนุนนาร์าเป็นแนวสลักส่งแนวสุนนาร์สลักนี่ คือเรียกร้องเชิญชวนสู่คุรอ่านและฮะดิษุนั้นนบีซุนนะละฮะเลวซักอันละก็คนละมนุษย์นะอุลามลาอุลามาให้ความเคารพแต่อุลามาจะไม่เป็นสื่อหลักสื่อเงื่อนไขต้องผ่านอุลามาต้องผ่านมัซฮับถ้าไม่ผ่านนี่แสดงว่าที่เรารู้เรียนรู้กุรอ่านเดีนรู้ฮะดิษุไม่ซอกไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ต่างอะไรกับพวกมัซฮับิยะนี่พวกที่ยึดมัซฮับบ้าข้างมัซฮับ บางครั้งมาสับนี้หมายถึงว่ากูจะละหมาดนี่ก็ต้องามชาฟีอ็ถึงสิ้นอดนี่ก็ต้องชาฟีทุกอย่างนี่ต้องทำชาฟีแล้วบางทีในเรื่องที่ไม่รู้ว่ามาสับชาฟีนี่ทำยังไงอะนะแต่ต้องทำใช่ป่ะเขาไม่เห็นคนก็ทำเขาก็เลยละแวงเอ้เองทำนี่มาชาฟีป่ะเพราะกูชาฟีนะกูทำไมชาฟีกูไม่ทำาะแล้วก็กูไม่ใช่ชาฟีนีกูเป็นฮนาฟีไม่ทำเลยนะไม่ทำรอให้รู้ก่อนว่า ตกลงมัสยิดาชาวีเขาให้ทำยังไงเป็นเช่นนั้นศาสนานี่กลายเป็นศาสนาคนแล้วน่ไม่ใช่ศาสนาพระเจ้าแล้วไงเป็นศาสน า, อนสสนาอ ข, งขนองคนแล้วไงคนนี่จะชีข้ขาดคนนี่จะชีน้นำหไปตรงนี้ใช่ทั้งนั้นนี่คุณอ่านก็มีอยู่เนี่ยคุณอ่านก็เบอกว่าไปตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้บอกอาจารย์เนี่ยให้บอกก่อนว่าให้ไปไหน ถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะนะไอที่เราเรียนรู้คุรานกันแบบนี้เน่ไรประโยชน์เลยไรประโยชน์ไม่สิครับตกลงท่านนาบีตอนเอาคุรานนะมาอ่านในสหบานี่สหบาลมีความรู้สหบานี่เป็ น, เ ป, นเป็นพันเป็นหมื่นนะอิหมากอิมเนี่ยเขาจะได้รายงานบอกว่าคนที่มาทำฮัจย์อําลากับท่านนาบีเนี่ยไม่ตาม่ากว่าห น, นึ่งแสงคน หนึง่งแสนคนในที่มาจากทุกสารทิศในในคาบสมุทรอาหรับคาดว่าที่ไม่ได้มาเนี่ยนะน่าจะหลายเท่าใช่ไหมอาจจะเป็นล้านก็ได้นะเอาที่มาเนี่ยหนึง่งแสนคนน่ะนะตกลงระดับความรู้เหมือนกันหมดไหมไม่นะอิหม่ามอิบเ น, นี่ยนังสืออล拉วุมอิบเนี่ว่าซาฮาบาที่เป็นผู้รู้นะที่เป็นบอกเป็นปรมาจารย์เป็นคนที่ รูปภาษาลึกซึ่งในความหมายกุรานและหะดีสนี่นะหลักสิบหลักสิบประมาณยี่สิบคนสามสิบคนที่แบบแจ๋วๆจที่สุดนี่นะประมาณสิบคนสิบห้าคนอนลรที่เหลือละ่ทลอละทั่วไปอาหรับทั่วไปนบีมาสอนทั้งคนบาเดวีชาวชนบท คนที่มีความรู้มีความรู้หลายภาษาอย่างเซตินิซาเป็นรู้หลายรู้หลายภาษาแต่ในขณะทีะ่ท่านนบีมาอ่านการุรอรานมาเทศนากุรอรานาานี่นะน บ, บีมับอกว่าเด็ดเด็ดเด็ท่นนี้เนี่ยสำหรับกลุ่มสาฮาบานี่ที่เขารู้เรื่องกันหน่อยนะแต่อีคนนี่ไม่รู้เรื่องนี่อันนี้เดี๋ยวก็นานยะอย่าเพิ่งเข้าใจะอะไรนะเดี๋ยวนนะเดี๋ยวเพีย้ยนนะเดี๋ยวจะเพี้ยนเดี๋ยวจะยุ่งนะเดี๋ยวจนะวมีปัญหานะ ก็บไว้ก่อนนะแค่อ่านอย่างเดียวให้เป็นบทสวดอย่างเดียวห้ามเข้าใจไดี่ท บ, บนี้ีมาอ่านพูดอ่านเนี่ยอ่านให้ทุกคนฟังอ่านให้ทุกคนฟังความเข้าใจพื้นฐานนี่นะพื้นฐานเนี่ยการันตีได้เลยวนาคนส่วนมากทุกยุคทุกสมัยทุกภาษาเนี่ยพื้นฐา น, นจะเข้าใจใกล้เคียงกันพื้นฐานนะไม่ลึกซึ้งมาก อาจจะมีนะคนี้คนที่พื้นฐานนี่อาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งเป็นไปได้แต่ส่วนน้อยมากน้อยมากฉะนั้นไม่เป็นเหตุผลเลยที่จะบอกว่าโอ้กลัวเดี๋ยวถ้าคนอ่านูุรตานเองอ่านฮะดีษเองเข้าใจศาสนาเองไม่ผ่านมัสยิดไม่ผ่านอุลมามะไม่ผ่านอะไรนี่นะจะเพีย้ยนคนที่พูดพวกนี่นะบอกว่าเอาบอกมาเลยสิ บอกมาเลยไม่ต้องอาการคุรานไม่ต้องการหัตติสแล้วอ่าะไรอ่ะอ่านธรรมราของอุลามะอ่านธรรมรามาซฮัมแกบอกมาเลยนี่ออบอกไม่ได้พูดไม่ได้เพราะถ้าพูดนี่ในแะสดงวันที่เขาบอกว่าโอ้เราเรียกร้องสู่กุรานและกิตาบุญร้อนและสุน น, น้านี่มันจะเป็นคําเรียกร้องที่มุทเทสตอนแหลไม่ใช่เรียกร้องสู่กุราน ละฮะดิษให้เรียนรู้กุรอานะฮะดิแต่สุดท้ายเนีเขาเรียนมัซฮับผมเนี่ยเรียนมัซฮับเเรียนสองมัซฮับมัซฮับชวีและก็มัซฮับบลีแต่ที่เรียนมากที่สุดอย่างละเอียดในมัซฮับชวีขั้นตอนในการเรียนมัซฮับเนี่ยขั้นตอนช่วงแรกนี่นะเรียนตำรามัซฮับที่ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐาน ในในขั้นตอนเนี่ยคือท่องจํามาตันมาตันนี่ก็คือบทบททัศนะของมัศพทัศนะผิวๆล้วนๆเลยไม่มีตัวบทไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิน้นเป็นทัศนะของมัศบอย่างเดียวพอจำจาแม่นแล้วนะทศนะของแต่ละเรื่องนะแต่ละหมวดของนิติศาสตร์นะก็จะมีฌานนมาตันเนะขาเรียกมาตันมัตต์สันนิยมว่าเรียกมาตันพอได้รู้แล้วนี่นะ มาตันนี่เป็นยังไงเนี่ยต้องอธิบายเนี่ยมาถึงชราชรา้อชารอมาตันมาตันนี่มันสัๆงก็ต้องมีชราร้อนี่มาชรารอนี่ไอชรารอนี่ก็เหมือนกันตําราช่วงแรกๆของคนนิเรศ ม, มัศพเนี่ยจะเป็นตําราที่ไม่มีหลักฐานเหมือนกันคืออธิบายทัศนะโดยไม่มีหลักฐานแล้วอะไรทีที่จะรู้ว่าทัศนะนี้มีหลักฐานแบบนี้เพราะอุลมะทุกคนเนี่ยแน่นอนเขาเขามีทัศน์เขาก็ต้องมีหลักฐานนีแต่คนทั่วไปเนี่ย เขาเข้าไม่ถึงถ้าเรียนดันมะซับเนี่ยเข า, าไม่ถึง น, น, นู่นน่ยพอเรียนแบบลึกซึ้งแล้วนะถึงจะถึงระดับตํำรายใหญ่ๆเนี่ยตำรายใหญ่เนี่ ย, ยเขาจะอธิบายมะตันเนี่ยชาร์ร็เนี่ ย, อ, ยอธิบายมะตันด้วยตัวบทหลักฐานแล้วโต้เถียงกับมะซับอื่นด้วยว่าไอาม้มะซับของเรานี่มีน้ำหนักมากกว่าเพราะมีเหตุผลอย่างนี้นึิดถ้ามาสนกสนาอื่นเนี่ยเหตุผลของหลักฐานของเขาเนี่ยมันมีว่าแต่นนี้ระดับ เพราะนิติศาสตร์ปุเยที่อันนี้ดับนูนานนาน้นรดับปเรยาโทวิเนียเองถ้าคุกคนชาวบ้านจะต้องโทเอกกว่าจะได้เข้าถึงเข้าถึงหลักฐานกุาลแลักฐานอันที่จริงแล้วกุศานี่มันมีเนื้อหาเนื้อหาที่เบสิกมาก ตื่นถัมาโดยเฉพาะเนื้อหาที่อัลลพูดกับมุชริกีนคนที่ตั้งฟาคีกเป็นเนื้อหาที่ไม่ต้องมีภาไม่ต้องมีอาจารย์อะไรต้องมีผู้รู้อะไรโดยเฉพาะท่อนเนี้ยสาสถึงสี่สิบี่นี่นเราจะเห็นตัวอย่างกุรานท้าทายมุชริกีนเป็นไปได้ไม สมัยท่านนบีเนี่ยคุรานเนี่ยคุยกับมุสลินพอมุสลินมาคุยเฮ้ยพวกเองไม่เข้าใจกุรานเนี่ยเอาผูรู ي ي ้มาคุยกับกุรานเป็นไปได้ไหมไม่ได้คุรานพูดกับรบุคคลกับทุกคนที่อัลล์บอกว่าคุรานนีเป็นฮดายเป็นทางนาสาหรับใครสาหรับผู้รู้อย่างเดียว หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องได้ทางนำจากอัลกุรอานไม่มากก็น้อยไม่ลึกซึ้งกระตื้ น, ตนแต่ต้องมีต้องมีระดับหนึ่งเราเนี่ยยิ่งขยันศึกษามากขึ้นเราก็จะลึกซึ้งมากขึ้นจะกว้างขวางมากขึ้นในเนื้อหาอันกว้างขวางอันไพศาลของ อ, องายะห์อามสิบเอ็ดอัลลจะท้าทายมุสลิน ในเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานที่มุชยิกีนเขายอมรับกันอยู่แล้วซึ่งเราต้องเล่าเมื้องหลังนิดนึงว่าท่านนาบีมัทเฮสนาอิสลามในคาบสมุทรอาหรับซึ่งเชื้อชาติอาหรับส่วนมากก็คือลูกหลานท่านนาบีอิสมาอิลอาศัยอยู่ในคาบสมุทรอาหรับหลายพันปีตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮิมก่อนท่านนบีอิบราฮิมคือท่านนาบีอิบราฮิม าพาภรรยาของของท่านเนี่ยท่านหิงฮาจารแล้วก็ลูกชายท่านนบีสมาอินเนี่ยมาที่มั ก, กะใช่ไหมซึ่งก่อนก่อนที่นบีบรูฮิมจะพาสองท่านนี้มานะอาหรับนี้อยู่แล้วนะที่ข้าบสมพัรธแลวเขาเรียกกันเผ่าพันธ์อาหรับที่สูญพันธ์ไปแล้วเนี่ยอาหรับเบฮดะคืออาหรับผิว่ิュเลย กลุ่มอาหรับนี่รุ่นใครรุ่นรุนรุ่ น, นพวกกลุ่มชนอาดสมูดนั่นอารับอาหรับอพียงเดียวเลยเอ้าวแล้วมีอาหรับผสมมาใช่คือนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่ามีอาหรับเบอีดานี่คืออาหรับศูนยพันนี่คืออาหรับเพียวๆ เ, เลยที่ไม่มีผสมมานะอันนั้นเราศูนยพันไปแล้วไม่มีเหลือแล้ว และมืเริ่มมีอาหรับผสมนี่ก็ยุคท่านนบีอิสมาอิลเยพราะตัวท่านนบีอิสมาอิลเองนี่ตัวท่านนบีอิสมาลูกชายของท่านนบีอิบรอฮิมแล้วก็ลูกชายของท่านหญิงฮาจารท่านหญิงฮาจารนี่นะมารดาของท่านนบีอิสมาอิลนี่มาจากอีบบางทัศนาของนักประวัติศาสตร์บอกว่าอีบตะกอนนู้นเนี่ยไม่ใช่อีบตอนนี้นะอีบตะกอนนู้นรวมถึงสุดานด้วยนะรวมถึงสุดานถึงเอธิโอเปีย เขาสนิทานว่าท่านิงฮาจเนียท่านิงฮาจ์เนียเพราะเป็นทาสีที่ฟิรอาเนี่ยยกให้ท่านนาบีอิบราฮิมแต่ท่านนาบีอิบราฮิมปล่อยทาสีแล้วก็แล้วก็แต่งงานกันนะท่านินงฮาจ์เนี่ยเขาสมมติฐานว่าอาจจะมาจากทางใต้ของอิบเนี่ยก็คือจากสูดานหรือเอธิโอเปียแสดงว่า ท่านอบดสมล์นีมีเชื่อมันดาเป็นคนอียิปมันดาเป็นคนอียิปและบิดาของท่านเนี่ยท่านอนบดุสบรหิมไม่ใช่เป็นคนคาบสมุทรอาหรับท่านอนับดุสบรหิมมีสองทัศนะทัศนะส่วนมากเนี่ยใ น, นประวัติศาสตร์บอกว่าท่านนับดุสบรหิมเป็นชาวอิรักบางทศานะัศนบอกว่าไม่ใช่อิรักแต่เป็นชาวเมืองชามแถวโจแดนซีเรียนี่ แสดงว่าท่านนบีอิบราฮิมท่านนบีและท่านหญิงฮ ا ج รบิดามันดาของท่านนบีอิสมาイルไม่ใช่อารับแท้ๆแสดงว่าตัวท่านนบีอิสมาイルก็ถือว่าไม่ใช่อารับแท้ๆแต่ท่านนบีอิสมาイルไปแต่งงานกับเผ่ายูรุมก็คือพอท่านพอท่านหญิงฮ اجر เนี่ยอุมลูกและท่านนบีอิบราฮิมไป กลับบ้านนั่นะก็ทิ้งเมียกับลูกใช่ไ้มไม่มีน้ำท่านหญิงฮาจอรก์ก็เลยไปวิ่งระว่างภูเขาซซฟากัมารวาใช่ั้ยแล้วก็กลับมาหาลูกก็บพบว่าลูกนี่วินอยู่ใต้เท้าของท่านอาิสมัยนี่ก็น้ำซำๆก็เกิดบ่อน้ํำซำๆซึ่งตอนนั้ น, เ, นเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากก็อยู่กันสงคนนี่มีแหล่งน้า แล้วก็ตะกอนุ่นน่ะอาหรับทั้งหมดเลย เ, เป็นเป็นเป็นคนเรื่ร่อนเขาไม่ไมีเมืองมีแหล่งน้ําที่ไหนนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่นั่นพอแห้งแล้วเนี่ยก็ไปที่อื่นมีฝนตกอ่ะพอแห้งแล้วเนี่ยก็ไปที่อื่นยุรุมเนี่ยเขาก็ําลังเดินทางก็เห็นมีเรื่องมีนนกมีอะไระนี่ยแสดงว่านี่มีน้ำํำพอมาเจอท่านหญิงฮาจารีอุ้มลูกแล้วก็กำลงังบริโภคน้ําอยู่ขออาศัย อยู่กับท่านได้ไหมแล้วเราจะดูแลท่านท่านน บ, บีอิสมาイลก็เลยเติบโตกับเผ่ายุรุม แ, แต่งงานยุรุมนีนะ่เป็นอาหรับอาหรับพันแท่ตัวท่านน บ, บีอิสมาイนี่ไม่ใช่พอท่านน บ, บีอิสมาイลแต่งงานกับยุรุมลูกหลานที่เกิดมานี่นะนี่นะเขาเรียกอาหรับ มุสตากริบะเป็นอาหรับผสมอรับผสมเพราะฉะนั้นมีอาหรับคนไหนนี่มายืดอกแล้วก็บอกว่ากูนี่อาหรับแท้นี่คือบอกกับบ้านน่และานาทนนบีอิสมาอินนี่นับวสันอาหรับผสมจะเป็นอาหรับแท้ได้ไง ท่านนบีอิสมาイルเป็นนบี น, น, นะลูกชายของท่านนบีบรหิมก็เลยที่ศนาหลักการอิสลามหลักการที่ถูกต้องในี่ยในข้าบสมบูรณ์อร่ามแต่ท่านนบีบรหิมไปอยู่เมืองชามใช่ไหมมีลูกอีกคนหนึ่งชื่ออิ삭อิ삭นี่มีลูกคนหนึ่งชื่อยาคูยาคูนี่ก็คือมีฉายาอีกคนหนึ่งก็คืออิสราเอลยาคูมีก็มีลูกสิบสี่คน 1ิี่คน12คนที่เป็นสายตระกูลหลักของบรอสิสรยินแล้วก็มีท่านนบียูซุฟและกะบินจามีนที่บางศาสนาที่เล่าแบบนี้อันนี้ไปอยู่ที่ไหนนะ่ะอยู่นู่นอยู่แถวโจแดนแถวปาเลสไตน์แถวซีนายาาาแต่นบีอิสมาอีในลูกชายของท่านนบีบรอฮีมอีคนหนึ่งน่ยมาอยู่ที่ข้าบส ม, มุทดอาระบอาหรบนี่จึงเกิดในข้าบส ม, มุดอาหรับเนี่ยนับถือศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีม และวตนนูกนนียบรอิสราอิลโอ้โหเนื่อจาว่าบรรอิสราเอลเนี่ยชอบเถียงแล้วก็ส่งนบีเยอะก็เลยศาสนาของท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยก็เลยไม่ได้ถูกยึดมั่นแต่อารับนี่เขาไม่ได้มีนบีมาหาเขานอกจากท่านนบีอิบราฮมท่านนบีสไมลและจบห้าพันปีต่อจากนี้เนี่ยจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่มีไม่มีรัชูลเลย แล้วเขาจะทำยังไงก็ต้องยึดตามตามหลักการอย่างพยายามประคองตามหลักการของท่านนาบีบรูฮีมให้ได้ฉะนั้นเชื้อศาสนาของท่านนาบีบรูฮีมนี่อยู่ในความสํานึกของชาวอาหรับส่วนมาก 5,000 ปีนะตั้งแต่สมัยท่านนาบีบรูฮีมถึงท่านนาบีมุฮัมมัดนะก่อนนบีจะมาในเพียง300ปีเริ่มเพียนะ้ยนอ่ะผมเคยเล่าใช่ไหม เริ่มเพียงละสา0รปีนับจากรุบนุลฮัยอัลคูซารีอันนี้เป็นนักธุรกิจแ็เป็นนักท่องเที่ยวชอบไปสถานบันเทิงแถวเปอร์เซียไปเดินห้างที่โรมัน่ก็ไปเปอร์เซียไปโรมันเนี่ยก็ไปที่ไหนนี่ก็มีแต่จัเวทมีแต่คนกาว่าบไักรเวทโอ้ยเท่หวะเท่จัง ไอเราเนี่ตัวว่าฟร <homepage. S 3> บรอบกาบ้านีมันติดจุดนะตัวว่าพูนานนะตัวว่าไม่เห็นมีอะไรไม่มีท่าทีไม่มีอะไรสนุกสนานของเขานี่มีมีต้นพวงมาลัยมีดอกไม้มีอะไรสีสันเยอะแยะเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็เอาของที่ระลึกเหมือนนับท่องเที่ยงมาหมดเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเล่าก็เอามาด้วยการพนันก็เอามาด้วย ออนไลน์เอมไม่ใช่ตอนนั้นไม่มีน่ เ, เนี่ยเอามาหมดเลยไมยกมุกมาหมดเลย้าบส ม, มุทรอาหรับนี่ก็ได้ ร, รู้เรื่องเนี่ยรู้เรื่องเล่าเรื่องกันพนันเดงดอกเบี้ยรู้มาจากไหนอ่ะก็นี่อะที่ที่อยู่ ร, บรอบรัง้งโดยลาพังอาหรับเนี่เป็นลาหลังอ่ะเป็นประเทศเป็นดินแดนที่ล้าหลังก็ตอนซาฮบานี่ไปพิชิตเปอร์เซียพิชิตรูมันฮะ กษัตริย์โรมันกษัตริย์ฮะอาหรับนะอาหรับมนะันเดินเท้าเปล่านะจะมาถาล่มอาณาจักรของเปอร์เซียแล้วโรมันเขาตกใจอะไรอร่ะเพราะเป็นคนไร้อารยธรรมเลยอาหรับและส่วนมากนี่คนที่ไร้อารยธรรมนี่อับบายมุกเนี่ยเอยแพผงง่าย การพนันเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอามาเลยดีดีดีดีสร้างกำไรไงนู่นเน่ยไปมาแล้วเนี่ยเปอร์เซียโรมันเขามีบ่อนคาสิโนมีอะไรนู่นกำไรเยอะนะเมอามเลพูดถึงไงคาบสมุทรอะไอเมาเลอโซเบนีอมาเลอเลย ความบางอาเนะนโสเพีเนี่เป็นเต็นเต็นสีแดงเลยนะตั้งหน้ากาบ้าเลยสองโสเพนีนี่หน้ากาบ้าเลยดอกเบี้ย ม, มันใช้เลยมัใช้หมดเลยแต่สุดท้ายนี่ก็คือเจ้ามือของอเบรมุกเราเนี่ยที่รวยเอาเรวยเอาแต่ชาวบ้านน่ะส่วนมากตกตามเอาตกต า, าทุกประทีศทุกดินแดนทุก ประชาชนที่ไม่มีอารยะรปัญญาชนน้อยน้อยคนนะอัะบอายมุกจะเผยแพร่ง่ายง่ายเออแล้วไหนเนี่ประเทศจันทันนี่เขาก็มีหมดเลยไม่ใช่เหรอมีแต่เขาก็เหมือนกันนะ่ะมีเรื่องนี้เนี่ยไว้หล่อเลี้ยงใครอ่ะเลี้ยงคนที่ไม่มีปัญญาชนไง เขามีบ่อนคาสิโนเขามีบันเทิงเขามีอะไรทุกอย่างเลยจอได้ควบคุมฝูงชนไร้ปัญญาเออให้มันเล่นไปให้มันเล่นพนันไปให้มันดูละครดูหนังไปฟังเพลงฟังคอนเสิร์ตไปพอสังเกตได้นะไอคนที่ไปเล่นบ่อนคาสิโนนี่นะ คนที่ไปเล่นบอคาซิลเนี่ยไปดูได้ในประวัติศาสตร์เนี่ยไปดูไปดูไม่เคยมีนะคนที่เป็นฝ่ายบริหารสูงสุดของรัฐหรือขององค์กรใหญ่โตส่วนมากคนที่เก่งอะล้มละลายอะก็คือคนที่มีตังกระดิ่วกระดาวแล้วก็อยากจะสนุกนี่ก็เอาไปเอาไปเล่นไปเสียตังหรือคนที่ไม่รู้จะไปหาธุรกิจจะรวยแบบเร็วๆยังไงนะเอาไปไปเรื่องการพนันมันจะรวยเร็วไง ส่วนมากก็เป็นแบบนี้ก็ส่งเสริมให้คนไร้ปัญญาแบบเนี้มีของเล่นอยู่ในมือดินแดนแบบนี้เป็นดินแดนที่ไร้อรารยธรรมแต่พื้นฐานของอาลลับเนี่ยที่มันยังอยู่คือยอมรับในพระเจ้าแม้กระทั่งอัมรุมนูร์ฮัยนี่เอาจวรวดมาจากกลุมมันเอาจเวดมาจากเบอร์เซียแล้วก็มาแขวนรอบๆกาบัะ และแต่ละเผ่านี่คือล้วันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็น เ, นเนจวิตประจําเผ่าของฉันอันนี้เป็นเจวิตประจำตระกูลของท่านแล้วที่หลังนี่ก็หลากหลายอันนี้เป็นเจว็ตประจําน้ำฝนอันนี้เป็นเจว็ตประจําเรื่องเดินทางปรึกษาเรื่องเดินทางจนกาบ้านนี่มีสามร้อยกว่าตัวแขนอยู่รอบรอบกาบทั้งทั้งนี่ชิริกแบบนี้นะแต่เขายังเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว เป็นผู้สร้างโลกนี้เชื่อว่าพระเจ้านี้จัดการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาอย่างเชื่อเรารู้ยังไง ร, รู้มาจากกุตตานที่เถียงเถียงผิดที่ท้ทาทายมุสลินในเรื่องที่เขาไม่สามารถปฏิเสธถ้าปฏิเสธถ้าปฏิเสธนี้นะทุกคนอสมมติเราคนะุตตานี่ยมาเถียงอุมาเยบในข้อละผู้นําของมุสลิมนะว่า พวก ي ق ل م ن ي ر ل م يرزقكم من السماء والأرض، ومن يملك السمع والبصر، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفنا تقول. จงกล่าวเถิดอ้โมฮมัดใครเป็นผู้ประทานปัจจียนชีพ r ิสกีเนี่ยใครให้อะที่มาจากฝากฟ้าและแผ่นดินแก่พวกท่านใครเป็นผู้ประทานนิสกีปัจเจียนชีพให้พวกท่านแม้ว่าปัจเจญยงชีพนี้มาจากฝากฟ้าเช่นน้ำฝนมาจากแผ่นดินเช่นพืชผลทั้งหลายหรือใครเป็นเจ้าของการได้ยินและการมอง อันมายยมลิกุสะมาการได้ยินวันอบซาระการมองเจ้าของหมายถึงว่าผู้สร้างอ่ะผู้สร้างหูที่ไว้ได้ยินดวงตาที่ไว้มองเนี่ยว่าไม่ยักริจุล ح ي มินะลไมติและใครเป็นผู้ให้มีชีวิตหลังจากการตายชีวิตหลังจากการตายอันนี้เห็นกันไงว่าผู้หญิง ก่อนนี้จะแต่งงานมดลูกไม่มีพอแต่งงานแล้วนี่มดลูกนี่สามารถผลิตชีวิตออกมาเนี่ยให้มีชีวิตหลังจากการตายหลังจากไม่มีซึ่งอายะนี้มีมีหลายสำนวนมีสำนวนให้ายๆนหลายหลายหลายตำแหน่งเลยคุณผู้ชเอาชีวิตออกจากความตาย ก็อุลามาบางท่านบอกว่าชีวิตออกจากรก็เหมือนไข่ไข่นี่ไม่มีชีวิตไข่นี่เจอกิกไปกิ๊กมานมันก็ไม่มีมันไม่สามารถแต่ให้ให้รอสักนิดนึงเดี๋ยวมันก็มีมีลูกไก่ออกมานะอุลามาเขบอกว่านี่คือตัวอย่างซึ่งอุลามาที่อธิบายแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพราะนี่คือตัวอย่างที่ชาวบ้านชาวบ้าน เขาเห็นกันกันตาและสามารถพิเคราะห์ได้ไม่ต้องใช้วิชาการไม่ต้องเขาเขาแหลมไม่ต้องเขาแหลไข่ชาวบ้านเลี้ยงไก่เล่ไว ก, ก็เห็นอัยคริสต์มาสมีเงินให้และเป็นผู้ให้ตายหลังจากมีชีวิตมา อันนี้เราก็เห็นกันนะมีชีวิตชีวาแล้วก็อยู่ดีก็ปเป็นสุขหรืออุลมามะบางท่านได้ตีความบอกว่าให้ตายหลังจากมีชีวิตตายหลังจากมีชีวิตนี้ก็คือส่วนร่างกายของเราถ้าถูกตัดไปมือเนี้ย มีชีวิตถ้าถูกตักไปแล้วนี่นะห่างออกจากร่างกายของเรามือนี่มันจะดิ้นแบบนี้มามันตายหลังจากที่มีชีวิตแต่การที่มีชีวิตเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้นี่ว่ามีชีวิตตอนอยู่กับร่างของเรามันก็จะชวนให้คิดว่าเอา้าแล้วก็ไอ้มือนี่มันได้ชีวิตจากอะไรมันได้ชีวิตจากตัวร่างของเรา แต่ร่างของเรานี่ได้ชีวิตจากไหนการที่มีชีวิตและตายเนี่ยสลับสลับเปลี่ยนกันแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้นักปรัชญาทุก อ, รอารยธรรมเนี่ยวิเคราะห์เรื่องนี้มาตลอดในศาสนาพุทธจะไม่วิเคราะห์เชิงตายกับชีวิตนะแต่จะพูดถึงประเด็นชีวิตกับตายเนี่ยก็คือเรื่องเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งในโลกนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแล้วเนี่ยมันมั น, ม, นมันไม่อยู่มันไม่อยู่กับที่และการที่มันไม่อยู่กับที่เนี่ยที่ทำให้มนุษย์เนี่ยขาดความมั่นคงไม่มีไม่มีความสมบสุกสมขแม้แต่ังคนที่มีชีวิตก็จะกังวลเรื่องความตาย คนรวยก็จะกลัวเรื่องจนคนจนก็จะวนกับเรื่องอยากจะรวยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความวุ่นวายในโลกนี้ฉะนั้นศา ส, สนาพุทธนี่ก็จะบอกว่าการมีพระเจ้ามีพระเจ้าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะประเด็นใหญ่เนี่ยจะทำยังไงให้ใจเนี่ยนิ่งสงบใช่ไหม และทุกอย่างในศาสนาพทธเรื่องธรรมธรธรมะอะไรทั้งหลายให้มนุษย์เนี่ยนิ่งสงบจะเรียนรู้จะศึกษาจะสมาธิทำสมาธิทำบุญอะไรทั้งหลายคือจะได้จิตใจเนี่ยสงบเป็นเรื่องดีในทิศทางของการบำบัดบำบัดความอ่อนแอของมนุษย์ แต่ความบกพร่องเกิดจากการที่ตัดข้อผูกพันระหว่างมนุษย์กับข้อเท็จจริงในโลกนี้มุมมองของศาสนาพุทธเนี่ยมองถึงสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวอย่างเดียวไม่มองสิ่งที่พ้นวิสัยว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตหรือไม่โลกนี้มีผู้สร้างหรือไม่ ตัวมนุษย์เองนี่มีผู้สร้างหรือไม่แล้วก็มีประโยชน์ไหมมันต้องมีประโยชน์ต้องมีประโยชน์แน่นอนเพราะแต่เทียบแล้วกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราบอกว่าข้าวที่เราปลูกเนี่ยถ้าไม่มีคนปลูกนี่ข้าวนี่จะขึ้นไหมผ ล, ลไม้พืชผลต่างหลายเนี่ยถ้าไม่มีชาวเกษตรนี่คอยดูแลนี่มันจะขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นถ้าเราจะสอนตะ ก, กะกกับชาวบ้านว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทํา แม้กระทั่งพ้นความทุกข์ของตัวเองเนี่ก็จะต้องลงมือทำทำบุญนั่งสมาธิใช่ไหมและเป็นไปได้ไงเราจะมองว่าพระเจ้าที่สร้างเรานี่นะจะไม่มีอิทธิพลไม่มีเดชานุภาพที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นความทุกข์ได้นี่เป็นการมองข้ามประเด็นอย่างสิ้นเชิงเลยอะ่ะ<ม>เหมือนคนที่มีโรงพยาบาลใหญ่โตอยู่ใกล้บ้านแต่เขาปลูกตะไค่ปลูกขิงปลูก ฮะสารเน่อะไรเนี่ยแล้วก็เจอเจอปัญหาด้านสุขภาพอย่างนี้ก็หยิบตะไคร้นี่ก็มาตามําหยิบไอ้นี่ก็มาตําแล้วก็มากินนี่ในสมุนไพรธรรมชาติแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีหมอที่เขามีความรู้แบบแบบสะสมความรู้เป็นพันปีแล้วนะไม่ไม่เอาไม่สําคัญหรอกสําคัญนี่นะต้องเราต้องรักษาโรคของเราเนี่ยแบบง่ายๆแบบเรียบเรียมัดคลยคล้า ย, ย, ย้แบบนี้ และพระเจ้าที่พระเจ้านี่บอกกับเราว่าอยู่ใกล้ใกล้เราเหลือเกินเราเชื่อนะเราเชื่อนะว่าหมอที่เรามองไม่เห็นนี่นะสามารถติดติดต่อฮัลโหลคุณหมอผมนี่มีรู้สึกอย่างนี้นี่นเจ็บน่นี่กินอะไรดีหมอก็จะบอกว่ากินยานี้นีเดี๋ยวเรส่งรางลายให้นะเดี๋ยวส่งยาให้นะเดี๋ยเราเชื่อว่าเนี่ยที่คุยกับเรานี่คือหมอ แล้วเราเชื่อว่าความรู้ที่หมอนแนะนํานี่นะมันไม่ใช่ยาพิษไม่ใช่ยาเบื่อมันเป็นยารักษาแล้วเราเชื่อไปซื้อจากเภสัชนี่ซื้อยาที่หมอนแนะนํานี่ว่าเรียนี่มันจะช่วยรักษาเราจริงๆแต่พระเจ้าที่ทรงบรรดาบีรสรุ่นม า, มาเราไม่เชรงกดโทรศัพท์โทรไปหาพระเจ้าพระเจ้าเนี่ โทรมาหาเราแล้วพระเจ้ า, านี่ส่งสารมาแล้วส่งสัญญาณมาแล้วว่าไม่อยู่ดับบิลอมราและใครเป็นผู้บริหารกิจการละแก่เนี่ยความรู้สึกของผมนี่นะคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งที่สุดในบรรดากิจการ ที่พระเจ้าจัดการเป็นคำสั้นๆโ้่อยู่ดบเิรใครเป็นผู้บริหารกิจการเข้าบริษัทเข้าหน่วยราชการเ ห, เห็นเรื่องวุ่นวายมีปัญหาต้องถามแรกเลยผู้จัดการอยู่ไหนผู้จัดการ ก็คือ <c oughs> คนที่มีอำนาจคนที่มีความรู้สั่งการได้แก้ไขได้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นของใครของพระเจ้าโลกนี้เนี่ยเป็นของใครของพระเจ้าเวลามันวุ่นวายเนี่ยวลาทุกอย่างนี่มันจะวุ่นวายอะนะเราก็ต้องถามมันต้องมีคําถามตามธรรมาชาติไงเหมือนเข้าไปเหนือราชการนะนะไปจะไปทําบัตรประชาชนเนี่ยไปนี่มันก็ไม่รู้ไปนี่มไม่รู้ไอ้นี่บอกก็ต้องเอกสารหชดุดไอ้นั้นบอกก็สามชุดเบือ่อ ไหนผู้จัดการอยู่ไหนหัวหน้ายอยู่ไหนามาที่คุยเรื่องกันหน่อยอัลลอบอก ว, ว่าพวกคุณเนี่ยทดลองกันมาแลว้วเวลามีปัญหาวุว่นวายในชีวิตนี่นะพวกท่านเนี่ยก็จะรู้ว่ามีผู้บริหารอยู่ผู้เดียวที่ต้องวิงวอนเหมือนอัลฮุซยนวิดาของอิมรานี่นฮุซยนทั้งลูกทั้งพ่อเนี่เป็นสหาบะ เุาซายนี่ยังไม่ได้รับอิสลามท่านหนบ่งไปด่าว่าโอ้โอ้เขาซายตัวเองบูชาบูชาพระเจ้ากี่องค์หกครับหกองค์องค์นีงพุทธองค์เขาเข้าใจยังนะหกองโอ้เขาซาองค์ไหนล่ะ ทีตัวเองไม่สบายที่ตัวเองหุ่นวายที่ตัวเองคับขันแบบเดือดร้อนจริงๆองไหนละ่ะที่จะวิงวนที่จะดูอาขอดูอาเพรานู go, ้นนูนที่อยู่บนฟากฟ้านู้นและแบบทังหมดนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นฟิตรา้าเป็นธรรมชาติของเขาว่าบรรดาพระเจ้าทั้งหลายนี่แต่ละองคนี่นะคือบรรดาพระเจ้าแห่งพื้นดิน แต่นีพระเจ้าองค์เดียวแห่งฝากฟ้าองค์เดียวเลยเขาไม่เคยบอกว่าละตัวอุซเซอมาณาตาสัยลยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนียชื่อพระเจ้าเขาไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยละตัวอุซเซออู่ชั้นฟ้าที่หนึ่งชั้นฟ้าที่สองไม่มีใครบังอาจกล้าที่จะอ้างเรื่องนี้ตอแหล่แน่นอนแต่การที้เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวอยู่ฝากฟ้าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมันเป็นความเชื่อทางธรรมชาติ ทางเชื่อที่ทมนุษย์ทุกคนเนี่ยน่าจะมีเชื่อในเรื่องเชื่อว่ามีบนฟากฟ้านีม่มีมีพลังมีพลังอัลลอฮ์าถามว่ามุซิริกี น, นี่ท้าทายไงว่าไม่อยูดับเบิลยลอัมราพวกเจ้าก็รู้ไงใครเป็นผู้บริหารกิจการกิจการอะไรกิจการชีวิตของพวกเจ้า กิจการของโลกนี้ทั้งหมดเลยอาดับที่อยู่ในมักกะที่คุณอ่านพูดถึงเขาเนี่ยมีอยู่สามกลุ่มส่วนมากเนี่เป็นพ่อค้าเซสักครึ่งหนึ่งเป็นพ่อค้านะหนึ่งในสี่เนี่ยหนึ่งในสี่เป็นชาวปศุสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงวัวลเลี้ยงอูฐสาม หนึ่งในสีนี่เป็นชาวเกษตรปลูกอิผลัมปลูกอะไรเล็กน้อยผักอะไรเล็กน้อยเนี่ยแต่น้อยไม่เยอะทั้งสามประเภทนี้นะประสบการณ์ของเขาเนี่ยจะต้องผ่านวิกฤตที่ต้องขอ อ, อุปถัมภพ์พระเจ้าเพราะคะ่าเอาสินค้าเอาสินค้าจากเมืองนี้ไปขายเมืองนู้น เขาไม่รู้ใครจะซื้อใครจะขายใครจะใครจะเอาใครจะมาอุดหนุนไม่รู้ก็ต้องขอรู้อาตัล อ, อัลลอฮ์จนอามุรบุลฮัยเนี่ยที่เอาบรรดาจเจวิตนี่แล้วก็มาหลอกลวงมีมีมีเจเวิตสําหรับการเดินทางไป ท, ทําธุรกิจปรึกษาไปดีไหมจะได้กําไรไหมหรือไม่ดีเนี่เออแต่ลึกๆแต่ละค น, นีรู้ในว่นแล้มันขับขันนั่นแหละพอ นั่งเรือจะไปขายสินค้าข้ามภากนี่ไปอียิปต์ไปนุ่นไปข้ามภากไปอิหร่านไปไหนนู่นไปเปอร์เซียมีพายุมีเมฆยักษ์มีคลื่นยักษ์ทำยังไงอะดาวัลล่าฮมุคลิซีนะแล้วนีขอดูพาต่อัลลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะรู้แล้วเนที่ห้อยมานี่ที่เอามาแขวนเยอะแยะนี่นะ มันช่วยช่วยไม่ได้เพราะถามเ้าแล้วเนี่ยใครไอริสกีที่มาจากฟากฟ้าและแผ่นดินใครเป็นเจ้าของหมายถึงใครเป็นผู้สร้างการได้ยินการเห็นการมองเห็นใครเป็นผู้ให้มีชีวิตหลังตายให้มีตายหลังมีชีวิต c ใครเป็นผู้บริหารกิจการทั้งมวลฟาสยาูลูนอัลลอฮฺ แล้วพวกเขาจะกล่าวกันว่าอัลลอฮ์อัลอลอฮ์เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเป็นผู้ให้ทฤษฎีเป็นผู้ให้เป็นให้ตายเป็ น, ปนผู้บริหารกิจการทั้งหลายนี่แสดงว่าอาหรับถึงแม้ว่าเขาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะแต่เขาก็ยังเชื่อว่ามีพระผู้เป็นจ้าและนี่คือเหตุผล ทีอุลามาได้บอกว่าที่จริงเนี่ยการรู้ว่ามีพระเจ้าเนี่ยมันมีสองประเภทรู้ว่ามีพระเจ้าเนี่ยมันมีสองสองนัยยะมีพระเจ้าที่สร้างโลกนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็เต๋อฮิดูรูบูบีอะการยอมรับว่ามีพระเจ้าองค์เดียวมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละที่สร้างเัินฟ้าและเป็นดินบริหารกิจการทั้งหมดเลยเนี่ยมีพระเจ้าองค์เดียวก็เป็นเต๋อฮิดเหมือนกันนะ เป็นการให้เอกะแด่ Allah ในเรื่องนี้ซึ่งพอไหมก็นี่ไงก็มุสลิิกินเขาก็เชื่อแบบนี้ไงว่ามีพระเจ้าองค์เดียวที่บริหารกิจการสร้างเป็นผู้ให้เป็นให้ตายเขาก็เชือ่อไงแล้วแต่มันจบแค่นี้เนี่ยนบีทำไมต้องมันหนี่นอยเขาถ้าแต่ฮีตการให้เอกะเอกภาพกับอัลลอฮ์ในเรื่องนี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วนบีทำไมต้องมาเทศนาพอาะเขาขาด การรู้จักอัลลอ์อีกในยักหนึ่งการรู้จักอัลลอ์ในฐานะเป็นที่เคารพศักการะเพียงผู้เดียวเย ว, ว่านั้นแต้วเดุลอูลฮิยาจะไม่รักใครเพราะคาว่าอิล้เนี่ยแปลว่าที่รักไม่รักใครในฐานะเป็นพระเจ้านอกสะก ไม่รักใครในฐานะเป็นพระเจ้านอกจาก อ, อัลลอฮ์ฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เช่าพระเป็นเช่ามาเช่าพระเป็นมุสลิมนะเช่าพระแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคารพสักกรแต่เขาชอบ เออเขาชอบเป็นศิลปะเป็นคานิยมอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะให้ต้องให้ความเป็นธรรมเขายังมีเตาวีดูลูเฮคือเขาไม่ได้เคารพสักการะอื่นจากกมลผมสนิฐานนะครับว่าคนที่พูดองค์นี้คนที่พูดคนนี้เนี่ยดูดิ คือเขามีที่ปรึกษาเขามีผู้รู้ผมได้ยินว่าเขาเขาออกดาว่าด้วยไงอ่าเขาก็ต้องมีคนที่บอกให้ระวังเรื่องนี้เนีะคงถูกเตือนแล้วอะแล้วเขาไม่ฟังก็ต้องมีคนบอกว่าเอายังไงอย่ า, อ ย, าอย่าไปสะอึกไปเคารพสักการะไปเชื่ออะไรนะมาอย่างนั้นตกศาสนาเลยอผมโสมเชื่อนะว่าเขาต้องรับคำปรึกษาแบบนี้เขาก็เลยพูดพอถูกถามเนี่ยโอ้ตอบตอบเหมือนตอบเหมืนอมนเป็นผู้รู้เลยยเนี่ เมื่อเคยมาเรียนตนด้วยกันนะ <c oughs> ตอบป๊ะเะลยนะอ๋อเขาไม่ไดสักการะนะเขาแค่ชอบชอบชอบแต่นะศิลปะไม่ใช่ชิิกหนระือเปลไม่ใิลิกและเป็นอะไรเป็นบาปใหญ่มหันเป็นการให้ความให้ความร่วมมือในการทำศิลิคว่าอะไรเพราะปล่อยเช่างไงให้เช่างไงข า, ายอะล่ะ แล้วคนที่จะเอาไปเนี่ยเขาจะไปทําอะไรที่จะไปขายเขาเนี่ยจะไปเช่าเขาเนี่ยห้าแสนนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรเอาไปจุดฟืนนะเป็นเขาก็จะเอาไปเขารูปสการะไปกราบาให้ก็นี่ไงเนี่ยให้ความร่วมมือวัอนนี้เราบอกว่าพี่น้องถามว่าไปสมมุติว่า อ, อยากพี่น้องเสียชีวิต ไปให้ตังแล้วแล้วก็สงสัยว่าเขาจะเอาตังไปจัดงานศพอะไรเงี้ยแล้วงานศพนี่แน่นอนมันก็มีชีริกอยู่แน่นอนแต่คนที่ให้ตังเนี่ยเขาถึงขั้นที่ตกศาสนาไม่ไม่ตกศาสนาแน่นอนไม่ตกศาสนาแต่การนี้เขาไปช่วยเนี่ยเกรงว่าส่วนร่วมที่ในตังของเขาเนี่ยจะถูกนําไปทําเรื่องชีริกเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมบาปตรงนั้นนะบาปตรงนั้นนะใจะใหญ่แค่ไหนอนะมันใหญ่แน่นอนแต่ใจใหญ่แค่ไหนอนะอ น, นี่ ต้องไปเคยยมานรู้กันเองแล้วกัน้แต่สาหรับมุชลิกอาราีไ ม, ไม่ใช่นะเขารักอัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าที่สร้างตักอัลลอ์เหมือกันนะรูยังไว่ารัอาราารกอัลลอฮ์นี่เพราะคำคำสอนของอัลลอฮ์ตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรฮีมนะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งการทำฮะจลห์ล ะ, ละตวัว อนุรักษ์กันเป๊ะเลยคนทําบาปนี่นะแต่เป็นเพียเพ้ยนๆไงคนทําบาปนี่เขารู้ว่าไม่สามารถล้างบาปหน้จนกว่าจะต้องมาตาว่าแล้วก็มีอุตริกรรมที่มันเพิ่มมาเนี่ยเออจะได้จะไ ด, จะได้จะได้ล้างบาปเกลี้ยงเลยนะต้องตาวาเปลือยกายใครจะตาว่าเปลือยกายเนี่มันเหมือนกับมาเกิดใหม่อะนะอันนี้อุตริกกรรมที่มันมาแต่เขาก็ยังยอมรับว่าไม่มีใคร บรรดาจเจวิตนี่จะล้างบาปให้เขาไม่ได้เขาต้องมาตัอักษแล้วขอจากพระเจ้าองค์เดียวยังเกียงแต่ในขณะเดียวกันนะนะการที่เรารักอัลลอฮ์เพียงเป็นผู้เดียวในฐานะที่เป็นพระเจ้านี่อันนี้ไม่ยังมีพระเจ้าอื่นที่ขอแบ่งความรักบ้างพระเจ้านี้พระเจ้านี้เท่นหน่อยทําไมอะเป็นพระเจ้าประจําเผ่า พะเจ้าพระยมเผ่าใครที่เป็นลูกหลานเผ่านี้เนี่ยก็ต้องเป็นอนุความเท่ไงและเพื่อให้ความเท่เนี่มันมีมันมีความหมายอยู่นะเอาเอาจ้าเวทนี่มาแขวนดีกา บ, บะแล้วเวลาตว่าเสร็จแล้วเนี่ตว่าเสร็จแล้วนั่งนะเอามะมะกรามะกราษให้เจาเวทนตูนี้อิเล่อิเ ล, ล่ที่รัก แต่ต้องเป็นอิละที่รักเพียงผู้เดียวในฐานะเป็นพระเจ้าผู้อื่นจะรักในฐานะเป็นแม่ในฐานะเป็นเมียเป็นสามีเป็นลูกในฐานะเป็นอาชีพเป็นรถเป็นทรัพย์สินอันนี้รักในฐานะแต่ไม่ใช่ในฐานะเป็นพระเจ้าไม่ใช่ชีริกไงรู้กโอ้นี่คนคนจะไปรักนี่ชีริกเนี่เปล่าไม่ใช่ถ้ารักถ้ารัก เทียบเท่ากับพระเจ้าเทียบเท่ากับพระเจ้าอันเนี้ยที่จะเป็นชีริกแล้วบางทีเป็นชีริกอลติกาดีเป็นชิริกด้านความเชื่อหมายถึงว่าเชื่อในในในพระเจ้านี่นะว่าเขามีความสามารถของความเป็นพระเจ้าอย่างเช่นเมียไม่ตั้งครรภเอาไปหับ ปัญหาเจเวทอง์นี says, er ้เด้มันจะช่วยอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทําได้แต่ถ้าจะแบ่งอันนี้เนี่ยเป็นเดชานุภาพของอีกองหนึ่งนะอันนี้นี่ยริกอิติก ا ดีมันเป็นชิริกด้านอิติ قاد ันอัตดาด้านความเชื่อแล้วมีชีริกกามัลิศีริกกามัลีกามัลีไมว่าอะไรไม่ว่าด้านปฏิบัติไม่ได้อาวเรามาครอบสักการะแต่เอาสิทธิของพระเจ้าเนี่ยไปมอบให้คนอื่นเขาเช่น พระเจ้านี่มีอำนาจชี้ขาดอะไรฮาลาลอะไรฮารอมเนี่ยเป็นอำนาจของพระเจ้าแต่ถ้าเราได้แต่งตั้งคนหนึ่งสามารถตรากฎหมายเปลี่ยนฮาลาลเป็นฮารอมฮารอมเป็นฮาลาลนี่นะอันนี้ก็จะกลายเป็นชิรกาเมดีมันไมไ่คือเราไม่ได้เชื่อ ว, ว่าว่าไม่ได้เชื่อ ว, ว่าสภานี่เป็นพระเจ้า ไม่ได้เชื่อสแต่การนิยอมรับให้เปลี่ยนได้นี่นะอันนั้นชิร์กามาีและชิร์กามาีมันจะกลายเป็นชิร์แอลกทกาดีได้ถ้าเราเชื่อว่าสภานี่ยปพระเจ้าเชื่อในการพนันในฮารอมเราเชื่อแบบ น, นถ้าสภาออกกฎหมายว่าเปล่าการพนันในฮารไม่บาปทำแล้วไม่บาป ถ้าเราเชื่อแบบนั้นอันนั้นนะ่ะเป็นเชิดอระกิกตดีเป็นการตั้งภาคีด้านความเชื่อแล้วก็เหมือนพระเจ้าแล้วไงเหมือนพระเจ้าแล้วให้สิ่งที่ฮะเลลเป็นฮะเาลได้ฮะรอมเป็นฮะรอมได้ซึ่งมันเป็นเดชานุวัตของเราเท่านั้นเขายอมรับแล้วนะว่าอำนาจเดชานัทั้งหมดนี้ของอัลลอฮฺสุภาโนอูตาอัลลอฮฺถามเขาท้าทายเขาเขาไม่สามารถตอบ อะไรได้นอกจากว่ายอมรับใช่ไหมฟฝากุลโอูมุฮัมมัดดังนั้นจงกล่าวเธิดอูมุฮัมมัดอาเฟะละตัตะกูนพวกท่านไม่ยีมเกรงหรืออันนี้ต้องต้องตั้งคำถามเมื่อตะกวานี่มันคือขั้นสูงขั้นสูงของความศรัทธาตะกูนตักักวไงขั้นสูงของ ความสาัทานี่อาลบไปถามเขาถึงนู่นนะจุดไกลมากของความศรัทธาคือเรื่องตักวาพวกเจ้าทำไมไม่เยี่มเกรงล่ะไม่ใช่ตะกวาตรงนี้เนี่ยอะฟาราตตะปูนเยี่มเกรงตรงนี้เนี่ยไม่ฉี่ตักวาที่เป็นประดับของผู้ศรัทธาทีข่ขึ้นขึ้นขั้นของการปฏิบัติจนอยู่ในขั้นสูงสุดของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีข้อปฏิบัติ ผ่านไปแล้วหลายก็หลายขั้นตอนแล้วไม่ใช่ตะวานนี่มาจากกราสัตนี่ก็คือวิกอยะพวกเจ้านี่ไม่เกรงกลัวที่ยอมรับในเดชานุภาพของพระเจ้าที่สามารถให้ริสกีที่สามารถให้ได้ยินให้เห็นให้เป็นให้ตายบริหารกิจการไม่กลัวไม่เกรงกลัวหรือว่าพระเจ้าองค์นี้เนี่ยจะยึดสิ่งเหล่านี้มาหมดเลย แล้วพวกเจ้านี่ก็จะเห็นซวยชีวิตก็จะหาไม่ดวงตาก็จะไม่มีการได้ยินก็จะหูหนวกกิจาการทั้งหมดนี่มันจะล้มแล้วเนี่ยเพราะพระเจ้านี่ไม่ไม่ช่วยเนี่ยไม่บริหารให้พวกเจ้าไม่เกรงกลัวอ่ะที่ยอมรับว่าเป็นพระเจ้านี่จะจะยึดสิ่งเหล่านี้จัดพวกเจ้าไม่กลัวนนี่คือความหมายของอัานตตะกูลเพราะอะไรเพราะรากษัพท์ของตะกวานี่คือ คือวกาวกานี่มายให้มีอะไรป้องกันป้องกันอะไรป้องกันจากความหายนะแต่อุลมอฮฺจึงบอกว่าคนที่มีตะกวานี่คนที่ป้องกันตัวเองจากการลงโทษในใครนรัตะกวาหรือป้องกันตัวเองจากความโกรธเก้วของพระเจ้าแล้วนี้ลหละอาฟะละตกตะกูลไม่ป้องกันพวกเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ป้องกันตัวเองให้พ้นจาก การที่พระเจ้าที่มีความสามารถในการทำสิ่งเหล่านี้ที่จะไม่ช่วยพวกเจ้าไม่กลัวเหรอไม่เกรงกลัวรอเหรอว่าวถ้าไม่สักการะต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเนี่ยพระเจ้าองค์นี้จะไม่ไม่ช่วยพวกเจ้าแล้วไม่เกรงกลัวเหรอแสดงวด่าตะกะที่อัลลอฮฺซุบฮฺานะวะตะนะพูดกับพวกมุชริมเนี่ยเป็นตกกะกับอผู้ถา น, นี่แหละ เรามาคุยหน่อยตกลงนีนพระเจ้าองค์นี้เนี่ยยอมรับใช่ไหมยอมรับแล้วพระเจ้าองค์นี้นทาอะไรได้บ้างเขาบอกได้เลยให้เป็นให้ตายให้ริสกีทุกอย่างมันก็ทุกอย่างอะ่ะมันมีอะไรมากกว่านี้เวลาเราไปทำงานบริษัทที่ไหนแล้วก็มีคนมาจากข้างนอกนี่มาดา่าเจ้านายมาดา่าเจ้าของบริษัทเราเฮ้ยอย่าไปเน่ยนี่เจ้าของบริษัทที่ทาให้เราได้มีไรายได้ ม, มีมีกินมีอยู่มี เราก็ปกป้องเจ้านายของเราเต็มที่เลยใช่ไหมเหตุผลง่ายๆแบบเนี้ยโอ้โยพระเจ้าของเราที่ให้เป็นให้ตายให้เรามีกินมีอยู่อย่างเงี้ยเป็นเหตุผลไม่เพียงพอที่จะให้พระเจ้าองค์นี้เนี่ยเป็นสุดที่รักของเราอหรอไม่เพียงพอเหรอพ่อที่สุดเลยคนเรานี่รักพ่อแม่นี่เพราะอะไรพ่อแม่นี่ผู้บังเกิดให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย เราเกิดมาดเพ่อพ่อแม่ดิแค่นี้เนี่ยเพียงพอแล้วที่จะรักพ่อแม่ขอให้พ่อแม่ไมดิดูแลเราพ่อแม่ทุกตีเราแต่ก็ยังรักพ่อแม่เพราะอะไรก็ให้เราเกิดเนี่ยตะกะนี่นี่คือตะ ก, กะคนที่มีสมองนะแต่ไอ้ไอ้คนที่ไร้สมองได้ไปป้อนเด็กยุคปัจจุบันนี่บอกว่าไอ้พ่อแม่ทําไมไปแสวงหาความสุขกันแล้วก็ให้เราเกิดมาแล้วไม่มาดูดูแลตกบ้าซุบมากเลย ตะการนี่มัวิบากมากเลยสอนเด็กแล้วก็แต่เด็กมันเชื่อไงมันเอาเอาไปเถียงแล้วก็รู้สึกว่าเท่ไงเออเท่เฮ้ยซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้อะทำไมอ่ะอ้าวให้เราเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลไปต้องต้องซื้อโทรศัพท์มือถือให้ถ้าซื้อไม่ได้ดทำไมทาไมต้องให้เกิดมาเฮ้ยที่อย่างนี้มันอ่ะซื้อรถให้ดิ ถ้าซื้อไม่ได้นี่ยทำไมไมให้เราเกิดมาซื้อเทารเวอร์ให้หน่อยดิซื้อบริษัทซื้อไมโครซอฟท์ให้หน่อยซื้อนู่นซื้อนี่ให้หนอถ้าซื้อไม่ได้ทําไมทําไมไปแต่งงานกันมาหรืมันไม่จบไงแต่การเกิดของทุกคนในรู้ว่าการเกิดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกได้นะแล้วก็เทียนอะเทียนเออทำไมให้เกิดเนี่ย คนขาวอย่างนี้คนดำๆอย่างนี้ทำไมทาไมพ่อแม่นี่รู้ว่าพ่อรู้ว่าจะหมูกตัวเองเนี่ยแบนแม่ก็รู้ว่าจะหมูกตัวเองแบนแล้วรู้ว่าลูกนี่ต้องแบนแบน่นอนเลยทำไมเนี่ย ท, ทำไมพ่อไม่ไปหาปภรรยาที่จะหมูดงในลูกเ น, นี่จะได้หล่อๆในอย่างนี้มันไม่จบเนี่ยคือตาตะกะแบบนี้เนี่ยมันไม่จบถ้าเราบอกว่ า, ราเราเราเรารักพ่อแม่นี่พพ่อแม่ให้เรา แค่ให้เราเกิดมาเนี่ยอันนี้ก็คือบุญคุณมหาศาลแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพ่อแม่ดิละและพระเจ้าล่ะพระเจ้าจริงกัพบพ่อแม่ Allah จะบกว่าฟะดาลิคุมลลอฮฺรับมุคุมุลฮักนั่นแหละ a l l a พระเจ้าที่แท้จริงของพวกท่านฟะดาลินั่คือพระเจ้าที่พวกเ จ, าจ้ายอมรับยอมรับในใจเนี่ย ยอมรับในใจนี้ว่าทำาทำนู่นทำนี่ทำนู่นยังนั่นน่ะนั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริงแสดงว่าแล้วเรื่องอื่นนะมุตเทิทั้งนั้นมุตเทิเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องยกยอดไปสันดาหน้านะครับพระศาสดาหัวรลีอะ้างมาดูหน่อยล้ไอ้หลวงสอสัต์มีคำถามไหครับถามว่ามีคนเงินสังซือหรือเสื้อผ้าให้คนอื่นเป็นสรัทยายาแต่ว่า เขาได้ไปแล้วเขากับเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านเฉยไม่ได้นําใช้ประโยชน์ผู้บริจาคจะยังได้รับผลและบุณจากยาเรียที่ไปตลอดไปนะครยัยาเรียนี้ก็ต้องใช้จริงถ้าเขาไม่ได้ใช้ก็ไม่ไถ้าเขามีใช้ก็ไม่ได้หมดหรก็ต้องใช้จริงแต่ยาเาารยียนี้ก็ม่รูอ้อะไรเราต้องยอมรับในข้อจํากัดของายาเรียแต่ละายาเรยียยาเรียแต่ละยรยเอยงเช่นคนไปซื้อที่ดินวัวกัฟ ริเจริยแต่ดันไปซื้อที่ดินที่ที่ดินตายอ่ะตาบอดอ่ะตาบอดนี่กว่าจะหาใครมาทําถนนให้หาคนมามาสร้างให้หนียากใช่ไหมก็ต้องยอมรับว่าที่ดินเนี่ยกว่าจะได้ทํามันอาจจะใช้เวลาช่วงที่ ท, ที่ดินนี้ยังไม่ใช้ประโยชน์นะก็ยังไม่เจรยิยคํ า, าว่าเจรียดีแปลว่ามี ม, มีมีประโยชน์เกิดขึ้นอะล้วถ้ายังไม่เกิดล่ะก็ยังไม่เจรยีย ประยะเล็กน้อยอาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นที่ดินนี่อาจจะมีหญ้าขึ้นอาจจะมีต้นอะไรมีกล้วยอะไรแล้วก็มีนกมึนอะไใช่ในไนจีรียแต่ไจีรีแบบนี้นี่ก็มีมีอย่างอืน่นก็ได้นะแต่เฮ้ยคนโง่เนี่ยเขาจะวากฟื้ที่ดินนี้จะได้สร้างมัสยิดทํามันตาบอดหาคนมาลงมาสร้างมัสยิดให้เนี่ยก็ไม่มีใครจะเรียกรายให้คนมาบริจาคนี่เขาจะบริจาคนึงไงที่นี้มันตาบอดรถก็เข้าไม่ได้คนก็เข้ายากกว่าจะ สร้างแล้วเอา้าได้ทุนสร้างเองเลยสร้างเองแันสุดท้ายเนี่ยไม่มีคนละหมาดมีจิงจกุกเป็นคารียไหมถ้าจิงจุกละหมาดนะอาจจะอาจจะเป็นคาเรียค <c oughs> าเรียต้องมีประโยชน์เกิดขึ้นกว่ากับเนี่ยกุฎอ่านเนี่ยซื้อกุฎอ่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อกุฎอ่านแล้วก็ไปวากับที่มัสยิดฮารอมใช่ไหมเขาจะมาบ้านเรานี่เอาบ้าง ซื้กุศอ่านแล้วก็มาวางมาสัมามาสยิดบอกว่มาอีกปีหนึ่งฟุ่นตลบเลยไม่มีใครแตะกุศอาลล่านเลยก็มันช่วยไม่ได้นี่ยไว่าไปวางกุศอ่านมัสยิดที่ไม่มีคนละหมาดรือไม่มีคนอาค่อานกุศอ่านมันก็ต้องป<ล>เงงป็นแบนั้นละหมาดจอารูวครับเออเยมากหนมันชั่วเวลาเลยก็ะดิกมาแล้วแต่พอละหมาดีมีบางที่เขานำละมาดเนีพอละหมาดพิชาก่อแล้วก็ไปตามด้วยมัตเตอ จะอย่างนี้เราไปละหมาดตามลำดัของเราจะเราไม่จละหมาดอะไรมักรีปไปละหมาดอิชาอ๋อละหมาดอิชาก่อนแล้วก็แล้วก็ชเรามีหลายทางเลือกทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือละหมาดอิชากับเขาเงียเป็นซุนนะละหมาดเป็นซุนนะจนกว่าเขาจะมาละหมามักรีปเราก็ละหมาดมักรีบอร์เขาแล้วก็ละหมาดอิชาที่หลังรักษาทศนาที่บอกว่าการละหมาดตามลำดับนี่เป็นวามิง ทางเลือกที่2ที่เขาบอกว่าลําดับละหมาดนี้ไม่วหวจิตก็สามารถละหมาดที่ชาับเขาได้แล้วก็ละหมาดพระริบทีหลังก็ได้ที่ทาทัศนะที่บอกว่าลําดับละหมาดไม่ไหวจิตมีอีกทัศนาหนึงเช่นบิมบาสบอกทําได้แต่ผมไม่แนะนำมันวุ่นวายนิดหนึ่งตอน้นจะมาใช้บิมบาสแนะนำเรื่องวุ่นไม่ใช่เขาไม่ได้นะเรื่องวุ่นวายเขาก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งก็ต้องดูสถานการณ์ พอใช้รถบัสบงดีเนี่ให้ฝรัวงกับคนที่เขามีความรู้กันเนี่ยบางทีเนช่นนบ้านจิงมานั่งที่มานั่งเนี่ยคนหลายร้อยคนเนี่ยเป็นอุลมามะเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นอุลมามะเขาถูกถามว่าเข้าไปละหมาดเรายังไม่ได้ละหมาดมะกริบแต่เข้าไปเห็นเขาละหมาดอิชาจะทํำยังไงเขาบอกว่าให้ละหมาดเนี่ยมันมริบเขานี่แหลแล้วอากาศที่สามเนี่ยเราก็นั่งไม่ลุกไม่สลามไม่ลุก จนกว่าเขาจะขึ้นไปละหมากรากาีสี่แล้วก็ลงมาเพราะสลามยี่เราก็สลามกับเขาใช่ป็นบ้านบอกว่าทำได้แต่ผมไม่แนะนำทำไมอ่ะมีมีเรื่อง f a c e b o o กกับกระพือยเลยบกกระพือเลยอันนี้อะไรที่คนส่วนมากนี่ไม่รู้นะนะก็มีเรื่องหนึ่งผมเคยสอนตอก่อนโุนสุนหนห์านาบีเนี่ย เวลาเข้ามาสัสซิดแล้วก็อิหมัมเขารูกั่วแล้วนี่นะแล้วเกงจะไม่ทันรูกั่วของเขาเนี่ยให้รูกั่วหน้าประตูแล้วก็คานมาเพื่อรูกั่วเนี่ยผมเคยสอนเรื่องนี้มานานแล้วแต่นี้มีคนเนี่ยเขาไปถ่ายคลิปคนนี้กําลังทําเรื่องนี้นาะโอ้โหกลายเป็นกระแสเลยคือบางเรื่องอะนะสอนได้สอนได้เพราะพรามันมันพออธิบายได้แต่พอมันเป็นคิดเป็นโปสเตอร์เป็นอะไรอะนะกลายกลายเป็นประเด็นเรื่องศาสนาเนี่ย อาลีมในบิตอัวพัดดิสุนเนสบิมาย่างรู้ฟูนพูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องที่เขาพอจะเข้าใจได้อาตุเฮบูนอันยูกันจะบัลรอหัวรูนพวกเจ้าชอบหรือที่จะให้คนปฏิเสธอัลลอห์ปฏิเสธรัสูใช่ดีเพราะเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงมีในคุรอาในฮัดดิสิงแต่คนเขาไม่เคยเรียนมา เฮ้ยเอามาจากไหนไม่จริงไม่จริงเขาบอกไม่ได้บอกไม่รูไม่ได้บอกละหมาดจานาจ่าคุณพอ่อของผมเนี่ยผมละหมาดนอกมัสยิดมัสยิดซุนนะนะชื่อมัสยิดมีอัลซอริซุนนะโอ้โ oh! หเป็นเรื่องเลย <c oughs> เอามาจากตาราไหนไปเรียนมาที่ไหน <c oughs> คนเขาคนคุ้มอยู่ ไม่ไม่ค่อยไม่คยพร้อมที่จะที่จะรับความจริงง่ายเราก็ต้องถือจังหวะหน่อยอจังหวะก็ที่ผมทำนี่พูด เ, เป็นผู้รู้และอธิบายได้ไงถึงผู้รู้ผู้รู้ที่มาละหมาดเนี่ยเขาไม่กล้าพูดอะไรเลยแล้วก็มีผู้รู้คนหนึ่งที่ผมจำไม่ผิดมีอาจารย์ตุลสัสรุลมันอาจารย์ตุลลลมันที่มาละหมาดเนี่นะจะให้คุณฟัง แล้ววันนั้นแกไปออกการแล้วก็ถูกถามเลยอาจารย์อะไรมีาสยงไรเนี่ยทำไมายบอกว่าจริงๆนบีเนี่ยเจ้นาซาเนี่ยสวนมากกันลหมดนอกมัสยิดนั่นแหละส่วนมากละหมาดนอกมัสยิดเขาละมาเขาก็ขิลาักันว่าตกลงละมาจันน่าที่มัสยิดดีกว่าไม่มาซาชักวีอบอกว่าละมาที่มัสยิดดีกว่าบ้านนี่ก็เลยนิยมละมาจันน่ที่มัสยิด แต่ม the ัจจะนาบีมัมาลกีเนี่ยเขาไม่นิยมละหมาดด้นาซาที่ที่มัสยิดละหมาดนอกมัสยิดเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่มีมัจพานาีมัจมาลกผมไปไปตุรกีเนี่ยละหมาดานอกมัสยิดไปโมร็อกโกเนี่ละหมาดขนอกมัสยิดละหมาดทั่วโลกเลยนบีนบีก็ละหมาดละหมาดนอกมัสยิดส่วนมากเลละหมาดให้ซาฮาวะคนเดียวในมัสยิดสุฮัยลิในเเท่านั้น แต่บ้านเรานี่ควรนี่จะมีหมูสันลาไกล่กุโบซึ่งมันจะช่วยบ้านเรานี่กุโบนี่ส่วนมากนี่ห่างจากมัสยิดส่วนมากนะและเนี่ยวองเราต้องยึดต้องละมาที่มัสยิดใช่มแต่ละมาที่มัสยิดก็ต้องแบบมัสยิดนี่ไปมาเยอดนี่ไปกุโบนี่บางทีนี่ก็ต้องนั่งรถกันด้วยใช่ไหมแต่นี่ถ้ามีมุสันลาไก่กุโบแล้วมาปับยกมายอดไปฟัง เสรง่ายนิดเดียวแต่กว่าจะเกิดเรื่องนี้นะก็อาจจะต้องสักสองศตรวรรษเนี่ยหลานพิรรนะ้อ แ, แ, แกบ้านบ้านก็ยากจนแล้วแต่แต่ในว่านนั้นนะก็มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะแล้วก็สามารถรับได้นะโดยบุคคลนะ น, นะหรือเขากินด้วย เ, เขากินด้วยคนระับเป็น ไ, ไปนไรให้กับมุสลิมแต่ในบ้านนั้นนะมีคนที่ไม่ใช่ไม่ได้ปัญหาคือ มาอุป Zakar ร i t r a นี่ให้มุสลิมอนี่ตรงให้มุสลิมข้าวนี่ถ้าจะไปให้แล้วนะนี่เป็นนี้ไม่ได้เป็น fitra แล้วนะจากคนที่ได้มานี่ไปสู่คนอื่นเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยไม่ใช่มือของคนออกฟ fitra เลยนะเป็นข้าวธรรมดาละเขาจะไปให้คนนี้ไม่ใช่มุสลิมเขาจะไปขายอ่ะบางทีนี่เนี่ยให้ให้เนื้อเนื้อกุฎบาตเนื้อกุฎบาตนี่คนที่คนที่ทํากุฎบาตนี่ขายไม่ได้ แต่รู้ด้วยผมให้ออ น, น, นุทต์เนี่ยเนี่อกุบลบัตรแล้วอนุทธ์เนี่ยไปขายก็วยเตี๋ยวเลยทําะไม่ได้ได้ปัญหาเลยมันเปลี่ยนมือแล้วเนี่ยของของอนุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นกุบลบัตรแล้วจะไปขายจะไปให้จะไปอะไรก็แล้วนี่ก็เหมือนเนะี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติให้เช่าตอนตอนประกาศตัวเนี่ยบางที่บการประกันภัยเหรอ าาการกัตั ว, ว า, าหน้าตรงคอะไรประมาณนี้ครับประกันตัวอ๋อกต้องไปเช่าไมเช่าไปเช่าโนเชน่าอะไรพวกนี้ <c oughs> ดอกเบียนี่มัน เ, มเงินป่าไปเยอืมไม่ชเงินป่านี่เงินดอกเบีย้ยเราทำไม่ได้อืมประกันประกันแล้วก็ส่วนส่วนเช่านี่ก็คือเขาดอกเ้เนี่ยเ <c oughs> พราะทรัพย์สินนี่มันเป็นทรัพย์สินที่เขาเอาไปเอาไปประกันเนี่ยก็ก็ต้กับให้ยืมไง ให้ยืมโฉนดให้ยืมทะเบียนนู้นทะเบียนใช่ไหมแล้วก็เอาไปเอาไปประกันแล้วก็จ่ายเจ้าของอเดือนละพันสองพันแล้วแต่จะประกันตัวอยู่แค่ไหนเนี่ยก็ให้เดือละเท่านู้นเท่านี้อันนี้เป็นหนกเปี้ยเพราะทรัพย์สินที่เป็นประกันนี่เป็นเงินยืมเป็นทรัพย์สินยืมก็เหมือนให้เปิดธนาคารได้ไหมให้บริษัทประกันภัยให้ขายลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้ سبحان الله وهو بحمد ل س و ل الله عليه السلام